ก็ลาบส ก, การะหรือพลอังความดีทั่นเนี่ยยอมเป็นพิษแก่ผู้ที่ไม่พิจารณาแล้วหลงไหลยึดติดในสิ่งนั้นจนประมาทมัวเมาเมื่วนี้เนี่ยท่านพูดถึงเรื่องการปล่อยวางถ้าพูดถึงเรื่องการปล่อยวางสิ่งซึ่งทําให้เป็นทุกข์ซึ่ง หรืเช่นเรื่องคำด่าซึ่งรวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าแม้กระทั่งสิ่งดีหรือผลจางความดีนี่ก็ต้องก็ต้องวางนะเริ่ม ต, ตั้งแต่เวลามีคนสารเสริญเราหรือคนศักการะรวมทั้งชื่อเสียงที่ได้รับเนี่ยก็ต้องมองให้ดีมองให้เป็นนะว่า มันไม่ใช่เป็นเพราะเราแต่มันเป็นเพราะมันเป็นผลแห่งความดีที่ได้ทำและท่านจำไว้เนี่ยพึงจงนึกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นผลแห่งความดีหรือเพราะคนอื่นสำคัญว่าเราดีคนอื่นสำคัญว่าเราดีก็หมายความว่าอย่าไปยึดมั่นถือว่าเออว่าเราดีเราเก่งแต่เป็นเพราะคนเขาคิดอย่างนั้นไปเอง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 ไม่ใช่เขากราบไ่ว้ไม่ใช่เพราะเรานะแต่เขากราบไหว้เพราะผ้าเหลืองนะหรือเพราะว่าอขอรบในความเป็นสงฆนะ์ที่เราได้ปฏิบัติเวลาทำความดีแล้วมีคนยกย่องนะมีลาภสักการะเกิดขึ้น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 เป็นเพ่ะเรานะแต่มันเป็นเพราะความดีที่ได้ทำต่างหากความดีที่ได้ทำนั่นแหละเรียกว่าธรรมะนะมันไม่ใช่ตัวเรานะแต่มันเป็นเพราะความดีที่ได้ทำจึงมีลาบสักการะเกิดขึ้นจึงมีคำชื่นชมชื่นชมสรรเสริญเกิดขึ้นต้องแยกให้ดีนะเพราะถ้ายาไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดความหลงตัว ว่าเป็นเพราะเราเป็นเพราะเราสุดท้ายก็ลืมตนนะหลงตัวลืมตนนี่มันมันคู่กันเลยและพอหลงตัวลืมตนแล้วนะต่อมาคนเขาไม่ชมเราคนเขาไม่เอารบาบศักดิ์สิมาให้ไม่เอ า, เอารางวัลมาให้กับเรานะก็จะทุกข์เลยนะว่าทำไม เกิดอะไรขึ้นหลายคนก็มักจะพูดว่าทำไมฉั น, นทำดีแล้วไม่ได้ดีก็คือไปนึกว่าเนี่ยความดีจะต้องเกิดขึ้นกับฉันความอชื่อเสียงรางวัลจะต้องเกิดขึ้นกับฉันแต่ถ้าเราไม่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 ทำเช่นนั้นคือสักการะบูชาเราเพราะเห็นว่าเราดีเพราะคิดว่าเราดีก็เป็นเรื่องของเขาแต่ไม่ใช่เราเราจะเราพึงตระหนักว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นลาบสักการะชื่อเสียงมันเป็นเพราะทารรธรรมะหรือความดีที่ได้ทำไม่ใช่เพราะตัวเรา ถ้ามองมาที่ตัวเรานะมันก็จะกลายเป็นอัตตาทิปตไตไปอัตตาทิทปไตนี้ไม่ใช่การปกครองนะมันหมายถึงการที่เอาตัวเองเป็นใหญ่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางสิ่งที่ตรงข้ามกับอัตอตาทิปไตยคือธรรมาธิปไตยก็คือว่าเอาธรรมะเป็นใหญ่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเพราะธรรมะ ไม่ใช่เป็นเพราะตัวเรายกประโยชน์ให้ธรรมะไปยกประโยชน์ให้กับความดีที่ได้ทำํำไม่ใช่เราไปอ้างประโยชน์หรือผลประโยชน์นั้นมาเป็นของเราแต่ถ้าใครก็จะคิดว่าเป็นเพราะเราดีหรือเป็นเพราะตัวเราก็ให้เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา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 มีเพื่อนคนหนงก็ทำเป็นจิตอาสาโทรศัพท์สายด่วนมันมีโทรศัพท์สายด่วนสําหรับคนที่ประสบความทุกข์ก็วันหนงก็ได้ได้รับโทรศพัพท์คนที่โทรมาเนี่ยก็ฟังดูก็รู้เลยว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่เ้เาเป็นทุกข์มากนะก็ถามไปถามไปว่าทุกข์เพราะอะไร ก, ก็ตอบว่าเนี่ยทุกข์เพราะว่า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 สายด่วนี้เขาจะส่วนใหญ่เขจะรับรับสายจากคนที่อยากจะคิดค่าตัวตายหรือกุมใจจนเป็นวิกฤตมากนักธุรกิคนนี้กุมใจเพราะาได้กําไรแค่5้าพันล้านนะไม่ใช่ว่าเป็นหนี้นะแต่เขาเป็นทุกข์เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเคยกําไรเป็นหมื่นล้านอันนี้ก็เป็นเป็นทุกข์ที่เกิดจากความยึดติดนะในในผลแห่ง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 ท่านใช้คำว่ายาพิษเลยนะสิ่งดีๆที่ทุกคนปรารถนาลาบสักการะชื่อเสียงทรัพย์สมบัติว่าก็คือความสุขทางโลกมันย่อมเป็นพิษได้เสมอถ้าไปยึดติดถือมั่นกับมันแ้าที่ยึดติดก็เพราะไม่พิจารณาว่ามันมีโทษอย่างไรบ้างคนมักจะมองเห็นว่าลออาบสักการะ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 หรือแม้กระทั่งคำดา่าคำตำหนิตีเตียนนะก็ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ท่านที่ควรจะวางในแะม้กระทั่งสิ่งที่เป็นฝ่ายดนะีทางพุทธศาสนาเรียกว่าโลกธรรมฝ่ายบวกนะก็คือว่าได้ลาบได้ยศดนะได้รับคําเสิขหรือว่าความสุขในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องรู้จักวางเหมือนกันนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่น เริ่มตั้งแต่มองว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะเราแต่มันเป็นเพราะผลแห่งความเพียรที่ได้ทำหรือเป็นเพราะธรรมะจะไปมาว่าเป็นของเราเ้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยการที่จะเป็นทุกข์เพราะความเสื่อมลาบเสื่อมยศ นะหรือว่าสารเสรินินทาเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มีคนเขาพูดไปดีนะเาบอกว่าคำชมเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับหมากฝรั่งนะคำชมเนี่ยคสารเสริมมันกหมากฝรั่งเนี่ยเคี้ยวได้นะแต่อยากลืนนะต้องคลายทิ้งนะ เพราะว่าถ้ากลืนไปแล้วเป็นโทษนะมันไปสร้างความปั่นปวดให้กับท้องของเราได้อ่าเป็นคําเปรียบเปรยที่ดีมากนะเพราะว่าอ่าถ้าเราถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับมันนี่ยก็เปรี่ยมว่า เ, าเรากลืนหมากฝรั่งไปแล้วเราต้องรู้จักคลายนะก็คือว่าไม่ไม่ยึดติดนะแต่ให้ปล่อยวาง ของเร็วเราก็ไม่ยึดนะของดีก็ไม่ยึดเหมือนกันเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนเดีย๋ยว่าแต่สิ่งของนอกตัวลาบสักการะชื่อเสียงเงินทองทรัพย์สมบัติเลยนะแม้กระทั่งร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงจิตใจของเรามันก็ไม่เที่ยงอย่างที่เราได้สาธยายเมื่อสักครู่เนี่ยรูปเนี่ยก็หมายถึงร่างกาย ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกวมๆว่านา้ำนะรูปก็ไม่ใช่ของเรานะนามก็ไม่ใช่ของเราไปยึดวา่ารูปนี่เป็นของเราเมื่อไหร่นี่มาเตรมตัวทุกได้เลยนะเพราะว่าพอมันแปรปรวนไปพอไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังเนี่ยก็ทุกเลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันนะจะหวังเวทนาที่เป็นสุข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 ปล่อยใจให้เสียไปด้วยแล้วพอใจเสียแล้วนะต่อไปสุขภาพก็จะเสียตามมาเพราะว่ากลุ้มใจกินไม่ได้น้อนไม่หลับนั่งเจ้าจุกสุขภาพก็เสียต่อไปความสัมพันธ์กับคนอื่นก็เสียด้วยเพราะว่าพอเสียใจแล้วเนี่ยมันก็หงุดหงิดนะไม่อยากพูดอยากคุยอยากใครใครมาพูดมาคุยก็ลาคาญ รู้สึกว่าเข้ามาแซวซีเผอตัวด่าว่าเขาเสียความสัมพันธ์ไปอันนี้เรียกว่าไม่ฉลาดไม่ฉลาดแทนที่จะเสียอย่างเดียวก็เสียหลายอย่างเสียทั้งใจเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งความสัมพันธ์งานการก็เสียด้วยนะเพราะไม่มีกระิกกรใจทํางานเสียเป็นขบวนเลย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 มันก็จะบีบคั้นใจเราให้เป็นทุกข์ได้ทันทีเมื่อมันแปรปรวนไปนผู้ฉลาดเนี่ยก็จะไม่ยึดติดถือมันในสิ่งเหล่านี้แม้เขาให้มาก็ไม่ยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเรานะสมัยหนึ่งนะพวกเราคงรู้จักหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตเนี่ย สมณศักดิ์ของท่านครั้งสุดท้ายเนี่ยคือเป็นสมเด็จพุทธาจารย์สมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นตําแหน่งหรือว่าราชคาณะที่สําคัญรองลงมาจากพระสังฆราชสมเด็จตัวนี้พวกเราได้ยินชื่อในฐานะที่ท่านมี อ, อิทธิฤทธปฏิหารนะพระสมเด็จเนี่ยมีชื่อมากก็เพราะเชื่อว่าท่านมีเลธิ์มีปฏิหาร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 วัด น, นั้นท่านก็ไปกับลูกศิษ์วัดนั่งเรือไปเรือเล็กๆกเขาเรียกเรือสำปั้นเรือพายนะประกอช่วงนั้นเป็นช่วงน้ําลงพอน้ําลงเนี่ยเรือไปก็ไม่ถึงเกยติดเกยตื้นนะลูกศิษย์ก็ลงไปเข็นเข็นเรือแต่ว่าไม่ค่อยขยับเท่าไหร่หลวงพ่อท่านก็เลยลงไปเข็นด้วย ชาวบ้านบนฝั่งเนี่ยนะเห็นหลวงพ่อโตเพรารู้จักเขาจําท่านได้ก็ตะโกนเรียกกันว่าเนะตะโกนบอกกันว่าสมเด็จขินเรือว้อยสมเด็จขินเรือว้อยคือไม่เห็นคือเห็นเป็นเรื่องแปลกนะนานๆจะเห็นพระระดับพระราชคณะระดับพระสมเด็จนี่มาขินเรือนะสมเด็จขินเรือว้อยนะพูดตะโกนกันหลวงพ่อโตท่านได้ยินท่านก็ เงยหน้าขึ้นไปพูดกับคนนั้นว่าฉันไม่ใช่สมเด็จหรอกจ้ะนะฉันชื่อโครโตจะสมเด็จอยู่บนเรือแล้วท่านชี้ไปที่พัดยศนะเพราะว่าไปงานนี้ต้องเอาพัดยศไปด้วยชี้ไปที่พัดยศนะคือท่านได้รับสมรส า, าว่าเป็นสมเด็จก็จริงนะแต่ว่าท่านไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าท่านคือสมเด็จท่านก็ยัง สำคัญมันยังสําคัญตัวมันเป็นแค่ขัวตานะชื่อขัวขัวโตนะครัวนี่มันเป็นคำโบราณ น, นะเดี๋ยวนี้ก็เราก็เรียกว่าหลวงพ่อนะแต่สมัยก่อนเขาใช้ ว, ว่าครัวขัวตานะแต่ท่านบอกท่านเนี่ยชันชื่อขัวโตจะ้ะโตนี่ก็คือชื่อเดิมของท่านคือท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จนะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ยึดมั่นถึงมา่ว่าเป็นเป็นเป็นของท่าน หรือเป็นตัวท่านนะถ้าใครพูดถึงสมเด็จท่านก็ชี้ไปที่พัทยด์นะนั่นแหละสมเด็จอันนี้ก็เป็นเป็นวิสัยของผู้ที่มีปัญญานะที่รู้ว่าลาบสักการะนี่มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเรานะถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่เนี่ยนะก็จะไม่อยากจะลงเรือเลยนะ ให้ฉันเป็นสมเด็จนี้ฉันจะลงเรือไปเข็นเรือได้อยางไหนะก็จะต้องปรารถนาให้คนอื่นเนี่ยพูดจากับตนเพราะเพราะด้วยศัพด้วยคาราชาศัพท์หรือว่าจ ะ, จะใจเขานอบนอบนะสัากการะก็เรียกว่าจะกลายเป็นเทวดาไปเลยแล้วถ้าเกิดเขาไม่ทำนะก็จะเกิดความไม่พอใจอย่าว่าแต่สมเด็จเลยนะแม้ผู้ที่มีปัญญาเนี่ย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 แต่จริงแล้วเนี่ยถ้าพูดมีปัญญาก็จะรู้ว่านี่มันเป็นศักตวรรุปมันเป็นสักตะ ร, ร่างกายนะมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่ใช่ตัวเราถ้าเป็นของเราเราก็บัญชาการได้สั่งได้อย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าร่างกายนี่เป็นของเราถ้ารูปนี้เป็นของเราก็จะต้องไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือไม่เจ็บไม่ป่วยจะต้องเป็นไปตามใจหวัง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 อผู้มีปัญญาที่ท่านก็จะรู้เลยว่าเนี่ยไอ้รูปนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นสักแต่ว่ารูปและพอมันเกิดอะไรขึ้นกับกายนี้รูปนี้เนี่ยก็จะไม่ทุกข์มันก็ทุกข์แต่กา ย, ยแต่ว่าใจไม่ทุกข์ด้วยหลวงปู่บุตราท่านเป็นพร ะ, ะที่มีชื่อเสียงมาก แล้วก็มีอายุยืนด้วยตอนที่ท่านมารณะาภาพนี้ก็อายุประมาณ101ปีท่านมารณะภาพไปเมื่อ20ปีที่แล้วมีคราวนึงท่านไปผ่าตัดนิ้ว น, ะนิ้วในไตผ่าตัดนิ้วสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีมากพอผ่าตัดเสร็จท่านก็ พักพักท่านก็บอกหมอกเพียบายลว่าเาอยังชั่วแล้วไม่เป็นไรแล้วหมอกิดพทย์บาลก็แปลกใจว่าหลวงพ่อไม่เจ็บเลยเพราะเพิ่งผ่าตัดมาใหม่ๆท่านก็บอกว่าเจ็บสี่นะร่างกายของฉันเนี่ยนะมันก็เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าใจไม่ได้เจ็บด้วยนะ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 ก็ไปกับพระหลายรูปทีเดียวบอกกัว่าอาหารเป็นพิษนะก็ทั้งคณะเลยนะพระทั้งคณะเลยก็อาจเจียนนะท้องไส้ปั่นปวนพระส่วนใหญ่เนะี่ยซึ่งเป็นพระหนุ่มนะอาจเจียนจนหมดแรงนอนนอนหมดแรงแต่หลวงปู่บุดาซึ่งอายุมากที่สุดนะแปสิบแล้วมั้งหรือ90 ท่านก็อาเจียนเหมือนกันแต่อาจเจียนเสร็จต่ขาขก็มานั่งคุยกับโยมต่อคุยกับโยมเจ้าของบ้านพูดให้กำลังใจโยมยโยมมีเสียขวัญ น, นะทำให้พระนี่มาล้มป่วยแล้วคนก็แปลกจใจทำไมหลวงปู่นะี่สามารถจะนั่งคุยกับโยมได้นะพระรูปที่เหลือเนี่ยนอนหมดแรงกันหมดหลวงปู่ท่าน ก, ก็อธิบายว่าเนี่ย ร่างกายมันก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะเวลาเจอยาเบื่อยามามก็เป็นอย่างนี้แหละก็คืออาเจียนแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้โดนด้วยคือไม่ได้โดนยาเบื่อยาเมาด้วยนะมันก็เลยไม่มีอาการอย่างกายก็คือไม่ทุกข์นะทุกข์แต่กายใจไม่ทุกข์ก็เลยสามารถจะนั่งคุยกับโยมได้แต่ว่าคนที่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 ซึ่งก็เป็นประไปกับพวกเราด้วยถ้านำไปปฏิบัติอาวที่เราพูดกันท่านนี้นะกรับพระ